สมัยพุทธกาลเนี่ยนะถ้าพระพุทธเจ้าแสดงอสุภาเนะี่ยคนฟังมองอสุภาจริงๆเลยนะมองเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะถ้าไม่เห็นเดี๋ยวเนรมิตภาพให้ดูก็ได้พรองค์ก็เนรมิตภาพให้ดูเพราะการแสดงอสุภาของพระองค์ก็ได้ผลมากสมัยนั้นแล้วอย่างพระองค์แสดงเมตตาให้ผู้อื่นฟังอะ่ะพระองค์อยู่ด้วยเมตตาเวลาแสดงปั๊บผู้ฟังเขาเจริญเมตตาได้เลยเนี่ยนะเพราะว่าผู้แสดงเนี่ยมันมีเมตตาเป็นบาตรให้แสดงเรื่องเมตตาเนี่ยนะ พูดเมตตาจนผู้ฟังมีเมตตาเลยเนี่ยนะอันนี้ก็คือเป็นเป็นบุญของคนสมัยนั้นนะที่ได้ฟังด้วยได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์ด้วยแล้วก็เขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้มีอัธยาศัยด้วยนั่นก็มีผู้ที่เขาบรรลุมรรคผลเพราะการฟังหาประมาณไม่ได้นะศาสนานี้ถือว่าบรรลุเพราะการฟังมากที่สุดทีนี้ต่อไปอย่างที่สองเนี่ยบรรลุเพราะแสะดง ดูความพิสูจน์ทั้งหลายอีกประการหนึ่งพระศาสดาหรือเพื่อนสัพพรมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะควรแก่การเคารบรูปใดรูปหนึ่งย่อมไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิสูจเลยแต่ว่าพิกษุย่อมแสดงธรรมตามที่ได้สดับมาตามที่ได้เล่าเรียนมาแก่คนเหล่าอื่นโดยพิสดารภิกษุย่อมเข้าใจอัดเข้าใจธรรมะในธรรมะที่ภิกษุแสดงธรรมตามที่ได้สดับมาตามที่ได้เล่าเรียนมาแก่คนเหล่าอื่นโดยพิสดาร เมื่อพิสุขเข้าใจอัดเข้าใจทำย่อมเกิดปราโมทเนี่ย น, นะเมื่อเกิดปราโมทแล้วก็เกิดปีติเมื่อใจสหรฆตด้วยปีติกายก็สงบผู้มีกายสงบย่อมเสวยสุขผู้มีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็นวิมุตตายตนะข้อที่สองอันผู้แสดงก็มีสิทธิบรร ล, ลุในะขณะที่แสดงนะแต่ว่าในพระไตรปิฎกพบอยู่รูปเดียว คนอื่นพบหลายแห่งไหมมาพบในสังยุตตานิ迦อยู่รูปเดียวที่แสดงแล้วก็แสดงจบผู้สร้งก็บรรลุผู้แสดงก็บรรลุพร้อมกันเลยนะส่วนที่อื่นๆก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าผู้แสดงสามารถบรรลุได้ในขณะที่แสดงเนี่ยนะอย่างที่ 3, สามสาธยายมาดูสาธยายการสาธยายนี้ก็สามารถทำให้บรรลุได้นะคือเช่นไม่ได้ฟังไม่ได้แสดง ก็แต่ว่าภิกษุย่อมทำการสาธยายตามที่ได้สดับมาตามที่ได้เล่าเรียนมาโดยพิสดารภิกษุย่อมเข้าใจอัดเข้าใจธรรมะนั้นตามที่ภิกษุสาธยายธรรมะตามที่ได้สดับมาตามที่ได้เล่าเรียนมาโดยพิสดารในสังยุตตินิยอีกเหมือนกันนะในวนะปัตถสูตรสังยุตตนิยสขารวัตเนี่ยพระภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยท่านเรียนธรรมแล้วท่านก็มาสาธยาย สาธยายไปเรียนไปสาธยายไปเรียนไปเจริญสาธยายจนบรรลุเลยเนี่ยมีอยู่รูปหนึ่งสาธยายจนบรรลุในสัจชายสูตรเนี่ยสูตรว่าด้วยการสาธยายเนี่ยนะทนตอนหลังท่านบรรลุแล้วท่านก็ไม่ค่อยได้สาธยายแล้วเทวดาก็เลยมาถามว่าทําไมท่านจึงไม่สาธยายก็บอกว่าสาธยายเพื่อประโยชน์อันใดประโยชน์อันนั้นก็เสร็จแล้วก็จะสาธยายไปทําไมคือบรรลุแล้วอะก็ไม่รู้จะสาธยายทำอะไรก็สาธยายก็เพื่อประโยชน์แก่การบรรลุนี่แหละ เ น, นะเพราะฉะนั้นการสาธยายก็บรรลุธรรมได้นะาการฟังธรรมเนี่ยน ะ, ะผู้ที่แสดงธรรมที่บริบูรณ์จริงๆเนี่ยเบื้องต้นแสดงด้วยทานหรือศีลท่ามกลางแสดงด้วยสมถาวิปัสนาที่สุดแสดงด้วยมรรคผลนิพพานก็จะมีการแสดงไปโดยลําดับอย่างนี้ทีนี้ในบริวารบริบทแวดล้อมว่าถ้าทานเนี่ยสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับทานคืออะไรถ้าศีลคําแวดล้อมเกี่ยวกับศีลคืออะไร สมถะเป็นอย่างไรวิปัสนาเป็นอย่างไรมรรคผลเป็นต้นเป็นอย่างไรผู้ฟังฟังแล้วเข้าใจตัวทานศีลสมถาวิปัสนาเข้าใจอารมณ์ของทานข้าอารมณ์ของศีลอารมณ์ของสมถาวิปัสนาจนสามารถเข้าใจแม้กระทั่งในมรรคผลเนี่ยนะังั้นผู้ฟังเขาฟังอย่างนั้นออกและเขาก็เจริญตามนั้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นคํานี้กว้างกว่าการรู้ปัจจัยกับปัจจุบันถ้ารู้ปัจจัยกับปัจจุบันนั้นหมายถึงเฉพาะ กำหนดทุกขัสสะเท่านั้นเองแต่นี้สามารถเข้าเจริญได้จนถึงมขรขัสสะเนี่ยนะเพราะนั้นคำว่ารู้อรู้ธรรมนั้นกว้างเะนั้นตามอัตถกาถาท่านจึงบอกว่ารู้ว่าบทนี้เป็นศีลบทนี้เป็นสมถะบทนี้เป็นวิปัสสนาเป็นต้นนั่นเองเธอคําว่ากว้างกว่านั้นเนี่ยหมายถึงว่ารู้พยัญชนะด้วยเพราะขณะที่ฟังเข้าใจพยัญชนะตามนั้นหมดเพราะนั้นคำว่าธรรมเนี่ยนะอย่างที่เราเรียนตอนแรกๆว่าธรรมะหมายถึงบาลี ธรรมะนะหมายถึงบาลีใช่ไหมอัฏฐะหมายถึงเนื้อความของพุทธพจ น, น์นั้นๆมีความหมายว่าอย่างไรเพราะฉถ้าว่าให้เต็มๆแล้วการฟังธรรมก็คือฟังสัจจะธรรมสี่ประการเมื่อฟังแล้วะนะพระพุทธพจน์ที่ประกาศสัจจะธรรมสี่ประการเรียกว่าธรรมะตัวอัฏฐะของทุกข์เป็นอย่างไรอัฏฐะของสมุทัยเป็นอย่างไรอัฏฐะของนิโรธเป็นยังไงอัฏฐะของอริยมรรคอริยมรรคไล่ต่าง่ว่า ก่ที่มักจะเกิดมาจากโคตรภูโคตรภูมาจากสังขารูปเปกขายานมาจากยามชั้นล่างๆมาจากศีลมาจากสมถาวิยปัสนาเนี่ยนะฟังแล้วออกฟังออกทั้งหมดตามนั้นแล้วจเจริญตามนั้นได้จริงๆเนี่ยแล้วจเจริญตามนั้นได้ก็คําสอนทุกสูตรก็ประกาศอริยสัจแต่เป็นหลากหลายโวหารเทศนาเนี่ยนะทั้งทุกคนผู้ฟังฟังเขาก็เห็นอริยสัจจริงๆจึงมีการบรรลุเพราะที่บรรลุก็บรรลุ อริยสัจนั่นเองแต่ว่าโย่อๆก็คือผู้ฟังฟังแล้วจะต้องรู้อาศะธาอาทีนวะและนิสรณะมองเห็นเห็นผลเห็นอุบายพร้อมทั้งอานัตเลยนะรู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นผู้ที่สาธยายบ่อยๆก็สามารถบรรลุได้นะไม่ใช่สาธยายแบบนกแก้วนกคุนทองว่าไปเรื่อยนะแต่เป็นการสาธยายควบคู่กับเห็นแบบนั้นจริงๆ อย่างเช่นขันห้าไม่เที่ยงก็มนาสิการในความไม่เที่ยงไปด้วยเนี่นนะขันห้าเป็นทุกข์ก็มานาสิการโดยความเป็นทุกข์ไปด้วยอนะแต่อันนี้หมายถึงว่าแบบเข้าใจอ่ะนะแต่ถ้าสาทยายโดยคําก็ดีกว่าร้องเพลงอย่างนั้นเถอะว่าแบบแบบหยาบที่สุดเลยนะก็สวดมนต์ยาณวิปยุทธ์ก็ดีกว่าร้องเพลงด้วยอำนาจโลภะแหละทีนี้ข้อที่สี่ ข้อที่สี่เนี่ยนะก็ไม่ได้ฟังไม่ได้แสดงไม่ได้สาธยายก็แต่ว่าภิกษุนั้นเนี่ยนะตึกตรองไขค ร, ครวนธรรมะตามที่ได้สดับมาตามที่ได้เล่าเรียนมาด้วยใจภิกษุย่อมเข้าใจอาจเข้าใจทำย่อมเกิดปราโมทเพราะฉะนั้นนักตรึกทั้งหลายก็บรรลุได้นะอย่างท่าอนุรุทธะเนี่ยนะท่านเป็นเอเป็นเป็นผู้ชํานาญในเรื่องมหาปริสวิตกใช่ไหมท่านตรึกเนี ว่าท่านตรึกว่าธรรมะนี้เป็นธรรมะของผู้มักน้อยไม่ใช่เป็นธรรมของผู้มักมากธรรมะนี้เป็นของผู้สันโดษไม่ใช่ของผู้ไม่สันโดษธรรมะนี้เป็นของผู้ไม่คลุกคลีไม่ใช่เป็นคนธรรมะของคลุกคลีธรรมะนี้เป็นไปเพื่ออะไรปรารบความเพียนไม่ใช่เกียรติค้านนนะ ไล่อย่างนี้ไปเรื่อยจนถึงว่าธรรมะนี้เป็นของผู้ไม่เนิ่นช้าเป็นที่มายินดีไม่ใช่ยินดีในความเนิ่นช้าราะผู้ที่สามารถตรึกตรองใข ค, ครัวในลักษณะนี้จะเห็นคุณของโลกุตระธรรมนะเพราะว่าคำว่าธรรมะนี้หมายถึงโลกุตระธรรมนี้นะผู้จะบบรรลุโลกุตระธรรมนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของคนคลุกคลีเลย ไม่ใช่เป็นเรื่องของคนมากมากเลยไม่ใช่เป็นเรื่องของคนไม่สันโดษเลยท่านทั้นถ้าให้ครูนตรึกตรองตามแท่งด้วยใจมากๆก็สามารถที่จะบรรลุได้นั่นเนี่ยมาเติมข้อสุดท้ายว่าธรรมะเนี่ยเป็นของผู้ที่ไม่เนิ่นช้าเป็นที่มายินดีคือท่านไม่ได้ยินดีในขันทาราญาตนะอันเป็นที่ตั้งแห่งความเนิ่นช้าเลยท่านยินดีในธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าคือ พ่านิผ่านนันพ่นี้ผ่านไม่ใช่ธรรมะที่ทำให้เนิ่นช้าเพราะฉะนั้นเป็นธรรมของผู้ยินดีในนิพพานจริงๆนะนั้นถ้าใครครวนตรึกตรองเพ่งอย่างนี้มากก็บรรลุได้แต่ไม่ใช่แบบตรึกแล้วก็ตรึกไปที่ไหนก็ไม่รู้ไปเรื่อยเนี่ยนะไม่ใช่แต่เป็นการตรึกแบบรู้วัตถุประสงค์รู้จุดมุ่งหมายเป็นอย่างดีส่วนข้อสุดท้ายนะการเจริญกรรมฐานข้อสุดท้ายที่ว่า ก็แต่ว่าสมาธินิมิตยอย่างใดอย่างหนึ่งเธอเล่าเรียนมาดีแล้วทําไว้ในใจไว้ด้วยดีส่งไว้ด้วยดีแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาเช่นถ้าพุทธานุสติธรรมานุสติก็แต่ละอย่างนี่ชํานาญมาเป็นอย่างดีแล้วก็มาใส่ใจในสมาธินิมิตเหล่านั้น่ะมาใส่ใจในพุทธคุณธรรมคุณใส่ใจในอนุสติสิบกสินสิบเป็นต้นเนี่ยนะมนาสิการอย่างนั้นมากมากขึ้นเจริญกรรมฐานอย่างนั้นมากๆขึ้น ทีนี้สำหรับผู้ที่ฟังทมเป็นต้นมาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยนะการเจริญกสิณก็ไม่ได้ทำให้ห่างจากการบรรลุมรรคผลเลยอย่าลืมว่าความเป็นสมถาวิปัสนาอยู่ด้วยอาวัชนะอยู่ด้วยการน้อมนึกใช่ไหมผู้ที่ชนานาญจริงๆนึกให้เป็นศินก็เป็นศินนึกให้เป็นสมถะเข้าฌานก็ได้เลยนึกให้เป็นวิปัสสนาก็นึกได้ทันทีเพราะฉะนั้นอาวัชนะท่านชนานาญ ท่านผู้ที่สใส่ใจในสมาธินิมิตเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยออกจากสมาธินิมิตอันนั้นเนี่ยเจริญวิปัสนาไม่ใช่ภาระของท่านอันนีน้ขอให้แต่สงบอย่างเดียวอนนะียอย่างบางคนมีความรู้ดีความสา ม, มารถเข้าใจคำสอนอย่างลึกซึ้งอนะันคนนี้ให้เขาสมาธิจิตเกิดอย่างเดียวนะที่เหลือไม่ใช่ปัญห า, านเแต่ถ้าคนไม่มีความรู้อะไรเลยไม่ดีนะสมาธิดีก็อาจจะสบายไปเลยนะเอาไว้ก่อน เพราะฉะนั้นผู้ที่ใส่ใจด้วยดีในสมาธินิมิตอย่างนี้เนี่ยนะก็จะทำให้เกิดการเข้าใจอัดเข้าใจธรรมพอผู้ที่เข้าใจอัดเข้าใจธรรมเนี่ยตามที่เล่าเรียนมาสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งมาด้วยดีทำไว้ในใจด้วยดีทรงไว้ด้วยดีแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาเมื่อพิสูจ์เข้าใจอัดเข้าใจธรรมะย่อมเกิดปรามโมทเมื่อเกิดปรามโมทแล้วย่อมเกิด ปีติเมื่อมีใจสหรคตด้วยปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมได้สเสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมัน่นเพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานก็เป็นเหตุใกล้ของการบรรลุธรรมเหมือนกันโอ้ตั้งห้าวิธีเลยนะตั้งห้าเหตุนะน่าจะได้สักเหตุนะชอบเหตุไหนที่สุดะนะชอบฟังเนาะถ้าถามธรรมมาว่าชอบข้อไหนชอบข้อตรึกชอบข้อสี่กับข้อห้า ชอบข้อสี่ข้อห้าสมอ้วนชอบสาธยายนะนะนะชอบสาธยายดีก็เอาให้ได้จะข้อใดข้อหนึ่งให้มันได้สักข้อหนึ่งเถะแต่ถ้าจะให้ดีนะควรเป็นทุกข้อนะควรหัดเจริญทุกข้อจึงจะสบายหน่อยแต่ถ้าเน้นเฉพาะข้อใดข้อหนึ่งก็จะมีปัญหาก็บางช่วงก็ฟังดีมากนะบางช่วงอ่านดีมากบางช่วงตรึกดีมากบางช่วงสาธยายก็ดีบางช่วงอะไรก็ไม่ดีซากาง ไม่ใช่บางช่วงหลายช่วงอะไรก็ไมดีอันถ้าเรามีความเข้าใจชัดในปริยัติศาสนาซึ่งปริยัติศาสนาของพระพุทธเจ้าก็สอนชี้ให้เห็นปฏิบัติศาสนาในที่สุดก็รู้แจ้งแทงตลอดปฏิเวทิศาสนาที่เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์นะเนี่ยเพราะผู้ที่ตรัสรู้ปฏิเวทิศาสนาจริงก็นําผู้นั้นพ้นจากทุกข์ มันก็หวังว่าประิยะติศาสนาของพระองค์ก็คงดำรงยืนนานอยู่ในใจของเราท่านทั้งหลายคือสามารถที่จะได้บาเพ็ญไตรสิกขาเป็นตายเพื่อตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าทุกคนเนี่ยนะก็ขออนุมโมทนาด้วย